ปริวาสิกะมูลายปฏิกัศสนาว่าด้วยการชักภิกษุผู้อยู่ปริวาสเข้าหาอาบัติเดิมท่านพระอุทายีนั้นกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้บอกแกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลาย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 สัญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้